สารอุท ธ, ธาารหลวงปู่ทาชาวลุกธโมได้เมตตาสั่งสอนพวกเราอยู่เสมอว่าสติตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจมองอยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจพิจารณาอยู่ที่ใจ สติอันเดียวก็ไม่หลายคำว่าสตินี้คือความที่มีความรู้ตัวรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาว่าจิตใจแอบไปมีความอยากหรือความไม่อยากความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความยินดีอิจ้าย ต่อรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสกายหรือทำอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆหรืออาการทางกายอาการทางใจในขณะปัจจุบันนั้ น, น, น, น, นทุกขณะปัจจุบันให้หมายเอาเฉพาะสติรู้ตัวรู้เท่าทันสิ่งที่ถูก รับรู้ได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเฉพาะในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นทุกขณะปัจจุบันเมื่อรู้ตัวรู้เท่าทันแล้วก็มีปัญญาที่จะหลุดออกจากการเข้าไปพอใจไม่พอใจก็ไปอยากหรือไม่อยากหรือเข้าไปอินดียินร้ายต่อสิ่งที่ถูกรู้เหล่านั้นได้ ถ้มีสติรู้ตัวรู้เท่าทาันแล้วแต่ไม่มีปัญญาที่จะออกจากสิ่งนั้นได้คือรู้ตัวรู้เท่าทันแล้วก็ยังแอบตึกนึกคิดคํานึงถึงกังวลถึงมิตกกังวลมีความทุกข์ใจต่อสิ่งที่ถูกรู้เหล่านั้นทางตาหูจมูกลิ้นกาย และใจคืออาการทางกายอาการทางใจหรือความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์โดยไม่มีปัญญากออกจากสิ่งที่ถูกรู้นั้นได้ทำให้ความทุกข์ใจนั้นตั้งอยู่ได้นานเพราะเหตุมาจากความเข้าไปอยากหรือไม่อยากพอใจหรือไม่พอใจ หรือก็ไปยินดีเข้าไปยินร้ายต่อสิ่งที่ถูกรู้นั้นในกรณีที่เป็นผู้ฝึกใหม่สติปัญญายัางอ่อนอยู่มากเมื่อความทุกข์ใจหรือความไม่สบายใจเพราะเหตุอีความก็ไปอยากหรือไม่อยากเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายเข้าไปพอใจหรือไม่พอใจ สิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นรูเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือทำอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรับรู้ได้ทางใจคือความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมทางใจของผู้ที่ฝึกจิต หรือฝึกสติคือลักษณะหรือพฤติกรรมทางใจที่เขาไปยุ่งเข้าไปวุ่นวายกับจิตใจของตอนเองเพราะเหตุที่มีความอยากให้จิตใจดีจิตใจสงบจิตใจว่างเปล่าจิตใจสว่างจิตใจสบายหรือเพราะเหตุที่มีความอยากให้จิตใจเป็นพันิพานเมื่อมีความอยากต่อสิ่งใด หรือมีความไม่อยากความยินดีความยินร้ายความพอใจหรือความไม่พอใจต่อสิ่งใดในขณะปัจจุบันนั้นๆก็จะมีความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือไฟลาะไฟโทสะไฟโมหะคือความหงุดหงิดฟุ้งซ่านลําขาใจเบื่อเซ็งกุ้มดังเลสงสยัยตัดสินใจไม่แน่นอน พี่ตกกังวลเศร้าหมองซึมเศร้าซึมซึมเศร้าว่ า, า, างเห ง, งาเหานอนเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนไฟที่ลุกโชนขึ้นอยู่ได้นานทั้งนี้ก็เพราะไม่มีสติที่จะรู้ตัวรู้ท่าทันว่ามีความแอบ พึงพอใจแอบติดใจยินดีหรือแอบไม่พอใจหรือแอบมีความอยากความไม่อยากหรือแอบมีความยินดียินไล่ต่อสิ่งนั้นอยู่แต่เมื่อสติยังมีกําลังอ่อนอยู่บวกกับไม่มีปัญญาที่จะออกจากสิ่งที่ เข้าไปายินดียินร้ายเข้าไปพอใจไม่พอใจก็ไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรได้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะก็จะตั้งอยู่ได้นานหรือเป็นอยู่บ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆไม่สามารถจะดับไฟเหล่านั้นไปได้ทําให้มีความเล่าร้อน ร้อนลนกวนกวายมีความทุกข์มีความเครียดถักติดถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะต้องเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นเสียก่อนเช่นทำเพลงขึ้นมาร้องเพลงขึ้นมาหรือไปดูสิ่งใดที่เถอทำให้เกิดความสบายใจก่อน ความทุกข์ใจความไม่สบายใจนั้นก็จะระงับดับไปแต่ไม่ใช่ว่าจะฝึกโดยการรู้ตัวรู้เท่าทันแล้วเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นตั้งแต่ต้นจนตลอดใช้เฉพาะกรณีของผู้ที่ฝึกใหม่ยังไม่มีสติ ไม่มีปัญญาหรือสติปัญญาไม่เข้มแข็งคือใช้สาหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ตัวรู้เท่าทันขณะที่จิตใจแอบมีความดียินร้ายแอบพอใจแอบไม่พอใจหรือแอบมีความอยากหรือความไม่อยากอย่างใดๆต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือทำอารมณ์คือความรู้สึกนึกิดอารมณ์ต่างๆในขณะปัจจุบันนั้น หรือแม้แต่มีความรู้ตัวรู้เท่าทันแต่เพราะความที่ฝึกสติน้อยมีความรู้ตัวช้าหรือไม่ค่อยจะรู้ตัวก็ไม่มีปัญญาที่จะแข็งแกล่งปัญญาที่เด็ดขาดปัญญาที่คมกล้าฟาดฟันความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจ หรือความยินดียินไลในขณะปัจจุบันนั้นให้ขาดสะบั้นออกจากใจหรือเรียกว่าใจยังไม่เด็ดขาดพอแม้รู้ตัวรู้เท่าทันแล้วก็ไม่สามารถจะดับความพึงพอใจติดใจยินดียัง ม, คมงงีความคึดถึงความคิดถึงความตรึกรละลึกถึง อยู่อย่างนั้นอย่างต่อเนื่องกันไปทำให้ไฟราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งความคิดกำลัถึงถึงคือความพึงพอใจติดใจยินดีก็ลุกโชนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจะต้องฝึกสติให้มีความรู้ตัวรู้เท่าทัน ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันว่ามีความแอบแฝนเข้าไปมีความอยากหรือความไม่อยากความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความยินดียินร้ายต่อสิ่งใดๆทั้งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือภายในคืออาการทางกายอาการทางใจหรือความรู้สึกหนึ่งคิดอารมณ์ในขณะปัจจุบันนั้นๆให้ต่อเรื่องอย่างไม่ขาดสาย เมื่อสติมีกําลังแก่กล้าก็จะทําให้จิตใจไม่มีความเหล่าร้อนกังวลก歪ใจมีความทุกข์เดือดร้อนไปตามสิ่งที่ถูกรับดูทั้งภายนอกและภายในเมื่อจิตใจไม่มีความเล่าร้อนก็จะมีความสงบระงับมากยิ่งเงินไปยิ่งขึ้นไ ป, นไปหรือใจมีความสงบ ตั้งมั่นอยู่ได้นานต่อเนื่องกันไปตราบที่สติมีกำลังแก้กล้าอยู่จะทำให้ปัญญาเห็นหรือรู้ความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความยินดียินร้ายความอยากหรือความไม่อยากในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นแล้วก็ถอนความพอใจความไม่พอใจความยินดียินร้าย หรือความอยากหรือความไม่อยากในขณะนั้ น, น, นได้หรือเพียงแต่มีสติปัญญาเห็นหรือรู้เท่าทัานความแอบเพียงพอใจแอบได้เพียงพอใจแอบยินดีแอบยินไล่แอ บ, แอบเกิดความอยากหรือความไม่อยากต่อสิ่งใดๆทั้งภายนอกและภายใน คืออาการทางกายหรืออาการทางใจหรือความรู้สึกนึกิดอารมณ์นั้นๆในปัจจุบันนั้นๆเพียงแค่มีสติปัญญารู้ตัวรู้เท่าทันหรือเห็นความอยากความไม่อยากความยินดียินร้ายหรือความพอใจความไม่พอใจในขณะปัจจุบัน น, นันๆทุกขณะปัจจุบัน ความยินดีความยิน้ายความพอใจความไม่พอใจหรือความอยากความไม่อยากเขาก็จะหมดกาลังไปเองดับไปเองโดยไม่ต้องเข้าไปจัดการอย่างไรกับทับกับเขาและไม่ต้องรู้เท่าทานันเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นดีเพราะถ้าฝึกคอยรู้เท่าทานัน เฉพาะกรณีที่เกิดอารมณ์ใดๆหรือเกิดความทุกข์ใจรุนแรงมากแล้วแล้วคอยเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่คอยเข้าไปสังเกตเห็นว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือไฟแห่งราคะโทสะโมหะที่ลุกโชนอยู่ตั้งอยู่ได้นานนั้นเพราะเกิดจากความอยากหรือความไม่อยาก หรือเกิดจากความแอบพึงพอใจติดใจ ย, ยินดีหรือไม่พอใจหรือเกิดความแอบยินดีหรือความยินร้ายต่อสิ่งที่ถูกรับดูนั้นทั้งภายนอกและภายในเมื่อความแอบยินดีแอบยินร้ายแอบพอใจแอบไม่พอใจหรือแอบอยากแอบไม่อยากต่อสิ่งใดๆในขณะปัจจุบันเหล่านั้นยังตั้งอยู่ได้ไฟล์แห่งราคะโทสะโมหะ หรือความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็ยังคงตั้งอยู่ได้นานตาบเท่าความยินดียินร้ายความพอใจความไม่พอใจยังตั้งอยู่ต่อเมื่อความยินดียินร้ายความพอใจความไม่พอใจหรือความอยากหรือความไม่อยากต่อสิ่งเหล่านั้นดับลงในขณะปัจจุบันนั้นๆอารมณ์ต่างๆและความทุกข์ใจต่างๆก็จะดับลงไปเอง ต้องฝึกให้มีสติปัญญารู้ตัวรู้เท่าทันความอยากหรือความไม่อยากความพอใจหรือความไม่พอใจความยินดีหรือความยินายที่เกิดขึ้นในใจของตนเองทุกขณะปัจจุบันมีใจฝึกคอยแต่รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทนาันความทุกข์ใจแล้วคอยเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลา ต้องฝึกสติปัญญาให้รู้ให้เห็นให้ทันความอยากความไม่อยากความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความยินดีอินรายที่เกิดขึ้นในใจของตนเองต่อสิ่งใดๆทางภายนอกคือรูปเสียงขีดลดสัมผัสและภายในคืออาการทางกายอาการทางใจหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในขณะปัจจุบนันนั้ น, น, นทุกขณะปัจจุบนัน เมื่อดูรู้เห็นความอยากหรือความไม่อยากความพอใจหรือความไม่พอใจความยินดีหรือยินร้ายในขณะปัจจุบันดนั้นแล้วก็ให้สักแต่ว่าเพ่งดูรู้เห็นความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจความยินดีความยินรไลที่เกิดขึ้นในใจตนนั้นอยู่เฉยเฉเดี๋ยวความอยากความไม่อยากความเพิงพอใจความไม่เึงพอใจความยินดีความยินรายเขาก็จะดับ ของเขาไปเองเพราะเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องดับไปเปลี่ยนแปลงไปไม่อาจคงทนตั้งอยู่ได้ถ้าความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความดนดีดีล้ายความอยากหรือความไม่อยากในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นทุกขณะปัจจุบันดับไปความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรืออารมณ์ ต่างๆซึ่งเป็นไฟหลาคะไฟโทสะไฟโมหะก็จะดับไปไม่อาจจะตั้งอยู่ได้เพราะไฟหลาคะไฟโทสะไฟโมหะที่ลุกโชนอยู่ไดนานหรือทั้งอยู่ไดนานหรือความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่ตั้งอยู่ใดนานนั้นก็เพราะยังมีความอยากหรือความไม่อยากความแอบพอใจแอบไม่พอใจหรือแอบยินดียินไลน์หนุนเนื่องไว้ตลอดเวลานี่ตัณหาคือความทิดล่นทะยานอยากหรือความไม่อยาก เป็นตัวหนุเนเรื่องไว้เป็นตัวสมุทยัยเป็นเหตุให้ความทุกข์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้นานเมือ่อตัณหาดับความทุกข์ก็ดับไปในขณะปัจจุบันนั้นๆไม่มีสติปัญญาที่จะรู้ตัวรู้เท่าทันความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดียินายที่เกิดขึ้นในใจตนทุกขณะปัจจุบันหรือรู้ตัวแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะดับ ความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีความยินายที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนั้นได้อาจจะเป็นเพราะไม่เห็นไม่รู้ว่ามีความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีความยินายแอบแฝงอยู่ในใจตนในขณะปัจจุบันนั้นหรือรู้แล้วก็ไม่สามารถ ที่จะดับความยินดีความยินไล้ความพอใจความไม่พอใจบังเสียได้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสติปัญญาแม้ผู้ที่ยังมีครอบครัวอยู่มีหน้าที่การงานมีตําแหน่งต่างๆมีสมบัติประทานต่างๆแต่พอมีเหตุจําเป็นบางอย่างยิงยังไม่สามารถที่จะออกไปจากสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้ามีสติปัญญา เห็นความอยากความไม่อยากความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความยินดียิน้ายที่เกิดขึ้นในใจตนต่อครอบครัวต่อตำแหน่งหน้าที่การงานต่อสมบัติตปอสถานในขณะปัจจุบันนั้นได้และมีปัญญาที่จะดับความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจความยินดียินาลในขณะปัจจุบันได้ทุกขณะปัจจุบัน เรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาที่จะออกจากถูกได้เหมือนกันเพราะสิ่งใดก็ตามแม้จะมีอยู่เป็นอยู่คือมีครอบครัวมีสมบัติประสานมีตำแหน่งหน้าที่การงานโดยตำแหน่งต่างๆแต่ถ้าไม่เอาเข้ามาไว้ในใจโดยเกิดความอยากหรือความไม่อยากความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความยินดียินายโดยคิดคำนึถึงตรึกถึงระลึกถึงวิตกกังวลถึง ในขณะปัจจุบันนั้นครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานตัวแบบประสารเหล่านั้นก็ไม่เข้ามาอยู่ในใจเราได้ใจเราก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจตนหรือเรียกว่าถึงแม้จะมีอยู่แต่ไม่มีผู้ยึดถือในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันก็จะไม่มีผู้ทุกข์ เราทุกข์กับสิ่งที่เอาเข้ามาไว้ในใจไม่ได้ทุกข์กับสิ่งภายนอกใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือครอบครัวหรือตําแหน่งหน้าที่การงานหรือสมบัติพสัสนาหรืออาการทางกายอาการทางใจหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกใจถ้าเราไม่เข้าไปเกิดความอยากความไม่อยากความพึงพอใจความไม่พึงพอใจ ความแบบยินดียิน้ายต่อสิ่งเหล่านั้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็อยู่เพียงแค่ภายนอกใจไม่เข้ามาอยู่ภายในใจเราให้เป็นทุกข์เราทุกข์ทุกข์กับสิ่งที่เข้ามาไว้ในใจเราไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่อยู่นอกใจถ้าเราไม่เข้าไปมีความอยากความไม่อยากความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความยินดียินไล่ในขณะปัจจุบันนั้น สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เข้ามาอยู่ในใจให้เป็นทุกข์ท่านว่าสามารถพิสูจน์ได้เช่นขณะที่เรามีความอยากความไม่อยากความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความยินดียินไล่ต่อสิ่งใดในขณะปัจจุบันนั้นๆเช่นมีความทะเลาะ ก, กันกับครอบครัวหรือมีความทุกข์ใจต่อสมบัติฐานหรือตําแหน่งหน้าที่การงานใดๆในขณะปัจจุบันนั้นๆ แต่เมื่อเราหลับไปความอยากความไม่อยากความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นก็ดับไปเพราะไม่ได้คิดกำลึงถึงสิ่งเหล่านั้นได้ความอยากหรือความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดียินร้ายเมื่อหลับไปความทุกใจความไม่สบายใจไฟราคะไปโทสะไฟโมหะ ต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปด้วยแต่เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมา mm. ก็คิดคำนึงถึงตึกระลึกถึงเขาไปยินดีเข้าไปยินไนล่เข้าไปพอใจไม่พอใจต่อสิ่งเหล่านั้นอีกต่อครอบครัวที่ทะเลาะกันต่อหน้าที่การงานที่มีความกังวลที่มีความทุกข์ใจต่อสมบัติทัพย์านความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็จะกลับคืนมาอีกสแสดงว่าถ้าเราไม่ ตึกนึกคิดปรุงแต่งเข้าไปมีความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจความยินดียินไล่ต่อสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในแม้แต่อาการทางกายอาการทางใจหรือความรู้สึกนึกิดอารมณ์หรือต่อครอบครัวต่อตําแหน่งหน้าที่การงานหรือต่อสมัมปทานประสาทในขณะปัจจุบันนั้นๆความทุกข์ใจความไม่สบายใจความเดือดร้อนใจก็จะไม่เกิดขึ้นเรียกว่ามีอยู่ แต่ไม่มีผู้เสวยหรือมีอยู่ยังไม่มีผู้ทุกข์ดังนั้นความทุกข์ใจหรือความไม่ทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ถ้าเราไม่เข้าไปตึกนึกคิดปมแต่งเป็นความยินดียินร้าปรึกพอใจไม่เป็นพอใจต่อสิ่งเหล่านั้นในขณะปัจจุบันนั้นแต่แน่นอน ผู้ที่มีครอบครัวอยู่มีตําแหน่งหน้าที่การงานมีสมบัติพาตรฐานอยู่ย่อมฝึกได้ยากว่าผู้ที่ออกบวชผู้ที่อยู่ตามป่าเขาลำเนาไผ่หรือตามธรรมตาม่ตางๆเพราะครอบครัวตําแหน่งหน้าที่การงานสมบัติมาตรฐานนั้นติดตัวอยู่ย่อมเข้าถึงใจได้ง่ายถ้าผู้ น, นั้นไม่มีสติปัญญา ที่รู้ตัวรู้เตาทันความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจความยินดีดดยินไล่ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันให้มีความรวดเร็วให้มีสติปัญญามีความรวดเร็วมีความเข้มแข็งย้ำต่อเ น, นื่องไม่ขาดสายเผลอผายเมื่อใดจิตใจก็จะเข้าไปวุ่นวายกังวลรักไข้มีตกกังวลต่อครอบครัวสามีภรรยาและลูกต่อสมบัติพุทธสานต่อตําแหน่งหน้าที่การงานได้ง่ายบว่าู้ที่พาตัวออกหา่างจากสิ่งเหล่านั้น แต่ก็มีใช่เป็นการที่แน่นอนเสมอไปเพราะผู้ที่พาตัวออกอ่างจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามวัดตามถ้ำตา่ตางๆแต่ถ้าไม่ตีสุติปัญญารู้ตัวรู้ท่าทานหรือเห็นความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจที่แอบแฝงซ่อนเลนที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกณะปัจจุบันในใจตนต่อสิ่ง ใ, ใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส หรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆหรือการทางกายอาการทางใจต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นๆทุกวันปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากถูกได้ไม่สามารถที่จะออกจากถูกได้เพราะเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ท่อทานความอยากความไม่อยากความคิดนึกตึกตองตรงแต่งที่เป็นความคืบพอใจติดใจยินอีความไม่พอใจความยินดียินาย ที่เกิดขึ้นในใจตนทุกขณะปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะดับไฟลาะไฟโทสะไฟโมหะดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจดือดความดับความเดือดร้อนวุ่นวายใจได้พอความตึกเลือดิดปรุงแต่งซึ่งเป็นความอยากความไม่ยากความปรุงพอใจความไม่ถึงพอใจความยินดียินร้ายในขณะปัจจุบันท่าขณะปัจจุบันนั่นเองเป็นต้นเหตุทื่เป็นสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือเกิดไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะให้ลุกโชนอยู่ได้นานตั้งอยู่ได้นานเมื่อไฟราคะไฟโมหะไฟโทสะลุกโชนอยู่ได้นานหรือตั้งอยู่ได้นานความทุกข์ใจความเดือดร้อนวุ่นวายใจก็จะตั้งอยู่ได้นานเช่นเดียวกันเมื่อความคิดเด็กดุดตอนปุงแต่งซึ่งเป็นความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจหรือความดีร้ายดับลงข้างใด ไฟรังะไฟโทสะไฟโมาหะหรือความทุกข์ใจเพราะไม่สบายใจความเดือดร้อนวุ่นวายใจก็จะดับลงการปฏิบัติไม่ใช่คิดเอาหรือหาวิธีเอาว่าจะดับกิเลสตัณหาดับสิ่งที่มากระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจคือรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ถึงเป็นถึงจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยตั้งใจว่าจะดับราคะก่อนหรือดับโทสะก่อนหรือดับโมหะก่อนหรือตั้งความรู้สึกที่ผิดไว้เข้าใจผิดไว้ว่าจะต้องพยายามบบังคับกดข่มไม่ให้ราคะาโทสะโมหะระเบิขึ้นมาในใจได้เลย ถ้าอย่างนี้เป็นการที่ปฏิบัติผิดหรือเข้าใจผิดเพราะการที่ไม่อยากให้ไฟลาภะไฟโทสะไฟโมหะหรือความทุกข์ใจอย่างใดที่จะเกิดขึ้นมาในอ น, หนาคตนั้นโดยที่สิ่งนี้สิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันแต่เป็นความอยากไปลงหน้าก่อนโดยที่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ ความทุกข์ใจความเดือดร้อนวุ่นวายใจยังไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นๆความตัวความกลัวหรือความบิตตกกังวลหรือความอยากให้ไฟราะไฟโทสะไฟโมหะหรือความทุกข์ใจในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจะไม่ให้เกิดขึ้นเลยนั้นก็เป็นความอยากในขณะปัจจุบันนั้นแล้วคือเป็นความอยากที่จะไม่ให้ ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะหรือความทุกข์ใจความไม่ความไม่สบายใจเกิดขึ้นเลยแต่ในปัจจุบันนั้นมีความอยากเกิดขึ้นแล้วตัวเราไม่เห็นเองไม่รู้เท่าท้านความอยากที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นแล้วต้องรู้เท่าท้านความอยากที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นนั้นเองไม่ใช่ ไปกลัวหรือมีตกกังวลต่อสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนั้นๆต้องให้มีสติปัญญารู้ตัวรู้เท่าทันความอยากหรือความไม่อยากความแอบถึงพอใจแอบไม่เพงพอใจแอบินดียินร้ายในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นในใจตนไม่ใช่คิดจะไปดับอะไรในอนาคตหรือไม่ใช่คิดว่าจะพาตัว ภากายออกจากอะไรหรือไม่ใช่คิดว่าจะพยายามปฏิบัติให้เป็นอะไรให้ถึงอะไรให้ได้อะไรพอมิฉนั้นก็จะเป็นความอยากในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองแต่เจ้าตัวไม่เห็นไม่รู้คืออยากให้ได้อยากให้ถึงอยากให้เป็นหรือกรณีไม่ชอบใจก็ไม่อยากให้ตั้งอยู่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ไม่อยากให้เกิดราคะาาาโทศมโหะไม่อยากให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในอนาคตก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนั่นเองต้องรู้ตัวรู้ท้อถันดับความตึกนึกคิดปรงแต่งที่เป็นความอยากความไม่อยากความพึงพอใจความไม่พึงพอใจความยินดีความยินไลในขณะปัจจุบันนั้นเสีย แล้วความมีสติปัญญารู้ตัวรู้เท่าตันจะพาะความตึกนึกคิดปรงแต่ความแอดยินดีแอดยินไลยความปรุพอใจความไม่พึงพอใจความอยากความไม่อยากต่อสิ่งใดๆั้งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสามีภรรยาและลูกตำแหน่งหน้าที่การงานสมบัติประจำต่างๆหรืออาการอากาศอากาศทางใจซึ่เป็นความรู้สึกคิดและอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนักุศลเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจในขณะปัจจุบันนั้นๆทุกขณะปัจจุบันยังต่อเนื่องไม่ขาดสายที่จะเรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาตามหลักธรรมคำสอนของพนะพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้า